กพเจ้าพระมหาไพบุญอาภีบุญโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองานจั ง, งหงวัดอุดรธานีพระพุทธบาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังนำพระสูตเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังใ ห, ให้มีความจำแจ้งถึงที่สุดเพื่อที่จะให้สิ่งที่ได้ฟังนั้นจำแจ้งในลักษณะที่จะลอก โหดขาดเจ้ากิเลสนะออกจากใจไปได้เพราะถ้ากิเลสมันฝังรากรึกอยู่เนี่ยมันจะทําใจของเราให้ปั่นป่วนหิวบ้างร้อนบ้างมืดบ้างพอมีความหิวความร้อนความมืดแล้วใจมันไม่เป็นตัวของตัวเองมันก็จะหวั่นไหวสั่นไปตามสิ่งที่มากระทบแถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ปุ๊บ่สภาวะนี้ก็เรียกว่าสภาวะที่เป็นทุกข์สภาวะที่จะทําให้เกิดความเร่าร้อนความเป็นร้อนในชีวิต เราจึงต้องมาคอยระวังแนละป้องกันจิตของเราใจสภาวะต่างๆที่มันจะผ่านมาทางตาทา ง, ทา ง, ทางหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละแต่จะเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าอย่างหนึ่งเป็นหน้าที่หลายหลักท่านฟังที่พระเจ้ามอบไว้ให้บอกไว้ให้ก็คือให้สงเคราะห์ด้วยใจอันงามเป็นผู้ที่ชี้ทางสวรรค์ให้เป็นผู้ที่จะห้ามเสียจากบาปเป็นหน้าที่ของภิกษุที่มีต่อครวญครวญตัวไปเพราะฉะนั้นการที่ชี้ทางบอกทาง เนี่ยที่เป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติที่พระเจ้าได้บอกบรรดาไวา้แต่เป็นหน้าที่ที่ข้าพระเจ้าถือว่าข้าพระเจ้าจะต้องทําก็จึงได้ให้โอกาสมาในการพูดการบอกมาพูดคุยเรื่องราวที่เป็นราวของคําสอนของพระเจ้านี้แต่แน่นอนในหมวดคําสอนต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องราวเยอะแยะเนีครูบาอาจารย์ในรุ่นหลังๆท่านก็มีเทคนิควิธีการจําของท่านในการที่จะจาคําสอนเหล่านี้ไว้ให้ได้ แต่การแบ่งเป็นหมวดเป็นข้อเป็นหมู่การแบ่งเป็นหมวดข้อหมู่พวกนี้ก็เรียกว่าเป็นตามตัวเลขหมวด3บ้างหมวด5้าบ้างหมวด7บ้างหมวด3ก็อย่างเช่นศีลสมาธิปัญญาไตรลักษณ์เอากระทัตนะตรเขารวมกันไปหรือว่าไตรสรณ์ตมก็อยู่ในหมวด3แต่หมวดใจก็มีโพชงเจ็บ้างหมวดไปก็มีมั่ง8บ้างแต่ธรรมะที่ไหนจะเป็นข้อๆเหมือนๆกันเป็นในหมวดหมู่เดียวกันแล้วก็เอามารวมๆกันเพื่อให้มีการแบ่งยออ แยกย่อยให้เกิดความเข้าใจจำได้ขึ้นได้ดีขึ้นอะไรที่มันเป็นตัวเลขเดีย ว, ยวกันก็มารุมรวมกันไว้ที่เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคการจำอย่างหนึ่งในสมัยก่อนซึ่งเวลาที่เราอ่านข้อมูลที่เป็นธรรมะเนี่ยในหมวดต่างๆเหล่านี้อาจจะกระโดินไปเรื่องนั้นกระโดินมาเรื่องนี้แต่แต่ก็ให้ทำความเข้าใจว่าเรื่องที่ง่ายทำความเข้าใจได้ก็มีเรื่องที่ยากอาจต้องใช้เวลาสักนิดนึงอาจจะยังไม่ได้มาต่อตอนนี้ แต่มันจะไปต่อตอนหลังๆนะต่อมาแล้วก็เป็นเส้นทางเดียวกันไปอย่างนี้ก็มีซึ่งในแต่ละเรื่องแต่ละหมวดเนี่ยในความเป็นของพระเจ้าคิดว่าสามารถที่จะนํามาใช้นํามาปฏิบัติได้ทั้งสิ้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันสูงเรื่องที่มันเป็นไปในจิตเบื้องสูงแล้วก็มาทํำในใจได้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันแล้วเราก็เอามาทําในใจฝึกปฏิบัติได้โดยในการนี้ขพระเจ้าก็จะมาพูดคุยในเรื่องราวที่เป็นธรรมะเหล่านี้ละ่ะให้ท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำ วันจันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของข้อธรรมะหมวดต่างๆที่เราจะสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจํมมวาวันได้เป็นหมวดข้อธรรมที่เกิดขึ้นนั่นเองแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังอยากจะทราบหมวดข้อธรรมอันไหนที่จะสามารถให้อธิบายในทางที่มันจะไม่เป็นพิษเป็นภยัยแต่ที่จะให้เกิดการนําไปใช้นําไปปฏิบัติได้เพื่อการลอกกิเลสกูกิเลสหรือเอาไปใช้ในชีวิตประจํมมวาวันได้นไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับเรา เราก็สามารถติดต่อกระทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ปตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองอันจังหวัด อ, อุดรธา น, า น, นีหรือจะไกลสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ www. p พียวธร .com p u r e d h a m m a. com กระประชาเมื่อได้รับข้อความต่างๆแล้วทนก็จะมาตอบมาพูดคุยกันในรายการนี้วันนี้หมวดธรรมะที่ต้องการจะพูดถึงก็เรียกว่าเรื่องเบื้องตน้น เน่ยเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานที่สําคัญแต่คือพระเจ้าเนี่ยถ้าจะแบ่งหมวดธรรมะที่พระเจ้าสอนนะออกเป็นง่ายๆนะก็เป็น2หมวดนะหมวดที่ส่งเสริมเรื่องราวที่จะไปทางโล ก, กุตตรธรรมนะเป็นไปในทางจิตเบื้องสูงหมวดที่ส่งเสริมตรงนั้นนะก็หมวด1 ห, หมวดที่2ก็คือเรื่องที่ไปในทางจิตเบื้องสูงแต่เพราะนั้นสองส่วนเนี่ยจะเป็นเหมือนกับบันไดสองขั้น ขัน้นที่1คุณ9ขั้นนี้ก่อนเดี๋ยเพื่อที่จะส่งเสริมไปในจิตเบื้องสู ง, งเรื่องอริยสัจสี่ขั้นที่สองก็เป็นเรื่องอริยสัจสนั่นเองเรื่องอริยสัจสเป็นสําคัญเลยนะเป็นสิ่งที่มีพุชาเท่านั้นที่จะบอกที่จะสอนได้เป็นไปในจิตเบื้องสูงเป็นโลกุตรธรรมแต่โลกุตรธรรมก็คือเหนือโลกเหตุใดเขาบ่าเหนือโลกสัก น, นิดหนึ่งเหนือโลกนี้ที่ไม่ใช่หลุดโลกนะแบบเดินเบลเบลตาลอยลอยเสื้อผ้าใสาบ้างไม่ใสบ้างนี่คิดว่าคนหลุดโลกนี่ไม่ใช่ แต่ไม่ใช่คําว่า s, โลกุตระาอย่างที่เราหมายถึงแต่คําว่าโลกุตระราคือเหนือโลกเนี่ยหมายคำว่าก็อยู่ในโลกนี่แหละแต่เหนือจากการครอบงําของโลกเหนือจากการที่โลกนั้นมันจะมาแตดเพื่อนทํำจิตให้เศร้าหมองอย่างเขาด่ากันเขาไม่ได้ด่ากันเฉยๆด่าเราด้วยแต่เขาทําไม่ดีกันเขาไม่ได้ทําไม่ดีกันเฉยๆเขาเบียดเบียนเราด้วยอย่างเงี้ยแต่ถ้าบอกว่าจริงเรายังเกลือดกลัวอยู่ในโลกเนี่ก็จะวันไหวล่ะนะทุกร้อนเดือดร้อนไปตามที่เขาด่าเขาว่า ที่เขาเบียดเบียนที่เขามีอาการกันก็จะเป็นแบบนั้นก็เรียกว่ายัางเป็นโลกิยะอยู่ยังหวั่นไหวไปตามโลกแต่คนที่เหนือโลกเนี่ยหมายเขามาเจอสิ่งต่างๆเหล่านั้นมากระทบเนี่ก็จิตใจนั้นไม่ทุกร้อนไปด้วยเหนือไว้เหนือเหนือในที่นี้เหนือจากการครอบงําแต่ไม่ใช่ว่าลอยตัวเหนือปัญหาแล้วไม่ทําอะไรไม่ใช่นะคนที่จิตใจเหนือจากการครอบงําเหนือจากการควบคุมเนี่ยยิ่งจะสามารถตัดสินใจได้ดีด้วย ยิ่งจะสามารถที่จะตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพแตมีประสิทธิภาพมากกว่าคนที่แบบเกลือกลัวจมปลักทุกขร้อนไปตามปัญหาที่เกิดขึ้นเขาจะตัดสินใจได้ดีกว่าแล้วก็จะไม่เหมือนกับคนที่ลอยตัวเหนือปัญหาปัญหาก็ดองไว้ไม่แก้ไม่ไขไม่ทําอะไรก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตใจแบบโลกุตระหรือคือจิตใจเหนือโลกเนี่ยคือเหนือจากการครอบงําชาบทาแบบเปื้อน อะไรจะทำให้จิตใจเป็นอย่างนั้นได้ความรู้ในอริยสั 4, จสี่จงฝังความรู้ในอริยสัจสีเพราะว่าถ้าเรารู้ในอริยสัจสีแล้วจิตใจเราจะเหนือจากการควบคุมของเจ้าความทุกข์แต่ความทุกข์มันจะมาทำอะไรอันตรายเราไม่ได้พระเจ้าเคยยกตัวอย่าง เ, เรื่องของดอกบัวนะหรือใบบัวนี่แหละดอกบัวหรือใบบัวก็าตามเกิดจากอะไรเกิดจากน้ำนะเกิดจากน้ำเกิดจากขี้ต้มด้วยอยู่ใต้น้าแต่พอมันโตขึ้นมาแล้วเนี่ย มันก็ไม่ถูกแปดเปื้อนฉาบทาด้วยขี้ตมหรือน้ําได้แต่ท้าฟังที่อาจจะเคยเห็นดอกบัวหรือใบบัวเนี่ยเวลาเอาน้ําไปลูบมันเอาน้ําไปใส่มันเนี่ยมันจะไม่ฉาบทาแปดเปื้อนใบบัวหรือดอกบัวได้มันก็จะกลิ้งเลืดๆๆไปนเป็นลนนักษณะนี้อันนี้เขาเรียกว่าเหนือนลังเกิดจากสิ่งนั้นก็จริงแต่ว่าเหนือจากการควบคุมของมันอย่างเราอยู่ในโลกอยู่บนโลกยังมีความสุขบ้างทุกบ้างมีดาบ้างมีชมบ้าง มีรวยบ้างมีจนบ้างแล้วก็ธรรมดาใช่ไหมมันเป็นของโลกแต่ว่าเหนือโลกได้เหนือจากการครอบงําของโลกได้เหมือนกับดอกบัวเกิดจากขี้ตมแต่ขี้ตมนั้นก็ไม่สามารถแปรเปลี่ยนได้เผลความรู้ในเรื่องอริยสัจสี่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่กาพระเจ้าก็จะนํามาพูดกันอยู่เรื่อยๆวันนี้จะไม่ได้พูดเรื่องอริยสัจสี่นะแต่จะพูดถึงธรรมะที่จะสนับสนุนให้เรามารู้อริยสัจสีได้อริยสัจสีเป็นธรรมที่ให้เกิดความเหนือโลกนะเหนือโลก แล้วก็ส่วนธรรมะที่จะสนับสนุนให้เกิดความรู้ตรงนั้นก็ เ, เรียกว่าเรื่องที่เป็นไปตามลําดับ5อย่างแต่าภาษาที่พระเจ้าใช้ก็เรียก อ, อนุบุพิคถา5อย่างอนุบุพิกถาก็คือเรื่องราวที่เป็นไปตามลําดับในที่คนจะต้องมีก่อนรู้ก่อนเพื่อที่จะทําความเข้าใจเรื่องอริยสัจสีได้นั้นดับแรกเนี่ยพระเาพูดถึงเรื่องของทานไหนท่านฟังเข้าใจภาพรวมก่อนนะอันดับที่1คือทาน 2คือศีลสคือสวรรค์4คือโทษของกรรมและ5คืออา น, นิสงส์ในการหลีกออกจากกรรมนะห้าอย่างนี้พระเจ้าเรียกหมวดธรรมหอย่างนี้เรียกว่าอ น, นุบุพพิกถ า, าก็คือเรื่องราวที่สนับสนุนในการที่จะรู้อริยสัจสีได้ตัวอย่างมีหลายเคสด้วยกันหลายกรณีด้วยกันที่พระเจ้าแสดงธรรมในหมวด5อย่างนี้หมวดนี้อ น, นุบุพพิกถาเนี่ย เพื่อให้จิตของคนฟังนั้นพร้อมในการที่จะฟังเรื่องอริยสัจแีนะ่เรื่องอริยสัจสีคนจะฟังให้เข้าใจได้เนี่ยมันเป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นเรื่องไปในทางจิตเบื้องสูงนะคุณจะต้องมีจิตที่เป็นอารมณ์เดียวพอสมควรนะจิตใจนั้นจะต้องมีสัมมาทิฏฐิด้วยมีความศรัทธามีความตั้งมั่นมีสติอยู่พอประมาณในการที่จะรู้อริยสัจสีได้นั่นก็เป็นเรื่องของมรรคด้วยนะแล้วจิตที่จะเหมาะสมอ่อนโยนอ่อนเหมาะ ในใการที่จะรู้ตามอริยสัจสีน่ยก็ต้องเหมือนกับผ้านั่นเองเนี่ยผ้าที่ทําความสะอาดแล้วสามารถที่จะเตรียมรับน้ําย้อมได้น้ําย้อมถ้าเราจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับเรื่องของอริยสัจสี่ที่ก่อนที่เราจะมาย้อมให้รู้เรื่องอริยสัจสีได้ก็ต้องซักผ้ามาให้สะอาดให้ดีก่อนการซักผ้าการเตรียมผ้าตรงนี้ก็เปรียบเสมือนเรื่องของอนุบุตรพิการคือเรื like> ่องที่ต้องมาก่อนเป็นไปตามลําดับอยู่5้าอย่างนี้ด้วยกัน เรื่องของทานนะั่นคือการให้ทานคือการให้การสละออกแนวะจุดประสงค์ของทานคือการให้การสละออกในตัววั ง, งนะเพื่อกําจัดความตระหนี่แนวะความตระหนี่เนี่ยเป็นมนติีของจิตถ้าเปลว่ามีแล้วแนวะจิตมันเศร้าหมองเหมือนแบบแบบมันดำดำ เ, เปื้อนๆไม่ใสไม่สว่างแนวพระฉพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องของการให้ทานการสละออกแนวะยกตัวอย่างคนที่มีความตระหนี่อย่างเช่นว่า ทำงานหาเงินมาด้วยความขยันขันแข็งอันนี้ดีไหมดีนะฮะมาได้เสร็จแล้วก็เก็บอย่างเดียวเนะี่ยแมดูตัวเลขในธนาคารแล้วมันหมสบายใจไม่เอาออกมาใช้หรอกเพราะว่ากลัวมันลดนะีดูในตัวเลขในธนาคารแล้วมันแฮปปี้ละสบายใจละดีใจละไม่เอาออกมาใช้ละเนะี่ยเพราะว่าตระหนี่เอไว้ห่วงเอาไว้แต่ก็ไม่รู้จะเก็บไม่ใช้อะไรเนะ่ยก็นึกไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช้หรอกเพราะตัวเลขมันเยอะมันสบายใหญ่ตรงนี้เนะี่ยกินอยู่ของตัวเองก็ไม่ใช้ อยู่แบบต้โอดตายอยากนะไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักจ่ายนะอันนี้คือความตรณีในความตรณีมันก็จะไม่ดีเอาถ้ามีเงินแล้วนะไม่รู้จักใช้จ่ายมันก็เปรียบเหมือนกับสะบระโกคันะีที่มีน้าใสมีท่าน้ำราบระเบยขึ้นลงได้แต่ว่าไม่มีคนไปใช้นนะเป็นที่อยู่ของอสุรกายอย่างนี้มีอยู่ในสมัยก่อนจะมีบอ่อน้ำที่ดีๆสวยงามแต่ว่ามีอสูรกายครอบครองอยู่อย่างนี้ใครลงไปก็ถูกจับกิน มันก็เป็นบ่อที่แบบแม่น่าเสียดายนะมีของดีๆอยู่แต่ไม่ได้ใช้เหมือนกับคนที่มีทรัพย์มีโภคทรัพย์แต่ว่าตรณีเอาไว้ห่วงเอาไว้นะมีใจเป็นก็เรียกว่าความตระณีเป็นมลทินเป็นยักษ์อยู่ข้างในคอยเป็นปู่โสมเฝ้าสมบัติไม่ยอมใช้สติก็ไม่เกิดประโยชน์อา้าวสะออละออกละออกเอามาใช้จ ใ, ในลักษณะที่จะทําความสุขความสบายให้ตัวเองได้บ้างนะอันนี้ก็ดี อันนี้ก็ยังดีกว่านะดีกว่าคนที่ตระหนี่ไว้อย่ามาใช้จ่ายซื้อข้าวของอา่าเลี้ยงพ่อแมเอ่เลี้ยงครอบครัวนะให้เป็นสุขให้อิ่มนำ้ำบริญาาให้สุขอย่างถูกต้องอันนี้คือการาให้ทานในฐานะที่หนึ่งจะเรียกว่าเป็นการใช้จ่ายอย่างคุณเอาเงินให้ลูกเอาเงินให้มารดาบิดาอันนี้ถือว่าได้บุญด้วยนะได้บุญแน่นอนเป็นการใช้จ่ายเป็นการให้ทานถูกต้องแล้วแตนะมีเงินทองทรัพย์สินสมบัติก็รู้จักใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนะรู้รายรับรู้รายจ่าย อย่าให้รายจ่ายเนี่ยมันท่วมรายรับแต่ให้รายรับเนี่ยมันเกินรายจ่ายเอาไว้อันนี้ถึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะดีขึ้นไปอีกแล้วก็รู้จักสลละออกชนิดที่เรียกว่าให้เปล่าเรียกว่าทำลีกรรมนะั่คือถ้าเราใช้จ่ายในครอบครัวนี้ก็ดีระดับหนึ่งแต่มันก็ยังมีความตรีนิยในลักษณะที่ว่าพวกพ้องของตัวเองตระกูลชั้นครอบครัวชั้นถ้าเราจะให้ดีขึ้นไปอีกนะแล้วก็ขยายขอบเขต ท, ที่เราจะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ ให้ทรัพย์นี้ได้เกิดประโยชน์นั่นก็คือการใช้จ่ายในระดับที่เป็นปรีกรรมอาจจะสงเคราะห์ญาติก็ได้สงเคราะห์คนที่มาเยือนก็ได้ช่วยสงเคราะห์ชาติก็ได้คนไหนทําดีเราก็ช่วยเหลืออันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำนั่นก็เรียกว่าทําปลีกรรมในในตอนะที่2องตอนะที่3นั่น ก, ก็คือการใช้จ่ายในลักษณะที่จะทําให้เกิดบุญคือการให้ในเนื้อนาบุญให้ในเนื้อนาบุญก็เช่นว่าประสงค์รูปไหนที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราคุณเอาไปให้ ปัจจัยสี่ควรแก่สมณะจะบริโภคเป็นสิ่งที่ให้น้อยแต่ก็จะได้ผลบุญมากอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สมอันนี้ก็จะได้บุญมากที่สุดใ น, นเรื่องของการให้ฐานนี่คือข้อที่1นึีน่คือการให้ฐานบุคคลที่ให้ทานเนี่ยทำฝังไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ไม่ขั้นคลามในเรื่องของทานแล้วก็เรื่องของศีลแล้วเข้าไปสู่บริษัทไหนจะไม่ขั้นครั่มชื่อเสียงเกียรติยศก็จะระบือไปแต่ว่าโอ้ผู้นี้เป็นคนให้ทานผู้นี้เป็นคนมีศีลแต่เขาก็จะกล่าว ขานกันแต่ว่าคนที่เป็นคนให้ทานคนที่เป็นคนรักษาศีลแต่ว่าถ้าในทางตรงกันข้ามคนที่รับไม่รักษาศีลคนที่ตระหนีชื่อเสียงเขาก็จะกระจรขจายไปนั่นแหละว่าโอ้คนนี้ขี้เหนียวเหนียวหนึบเลยแต่คนนี้โอ้โหผิดศีลไม่ดีชื่อเสียงก็จะไปในทางนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทานเร า, ามีการให้การบริจาคมีศีลศีลในที่นี้ก็หมายถึงความเป็นปกติของมนุษย์มนุษย์ทั่วไปนี่ ก็จะไม่ฆ่าสัตว์กันนะไม่มีกฎหมายประเทศไหนหรอกเขาออกกฎให้ว่าทุกคนฆ่ากันได้อย่างตามสบายแตนะ่มีแต่ออกกฎว่าถ้าฆ่านี่ต้องนาะมาทำการสอบสวนติดคุก ม, มีการฆ่าโทษอะไรต่างๆนะมีเป็นเรื่องของการฆ่าในะเรื่องของศีลในข้อที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำซึ่งความเป็นปกติของมนุษย์จะเราพูดถึงนอกจากการละเว้นจากการฆ่าแล้วเราก็ยังพูดถึงเรื่องของการไม่ขโมย แล้วเป็นจากการขโมยในอีกเหมือนกันซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกประเทศเขาทํากันไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เป็นเมืองพุทธหรือไม่ใช่เมืองพุทธแต่เขาจะไม่ได้ออกกฎหมายให้คุณสามารถขโมยทรัพย์สินของทางราชการได้แล้วก็มาเอาเพิ่มไปด้วยนะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าใครขโมยจะต้องถูกจับถูกลงโทษมีการค่าโทษเดียนกันการขโมยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทัว่วไปการประพฤติผิดในกางด้วยการประพฤติผิดในหญิงที่มีบุคคลรักษาลหลายประเทศเขาก็ ให้มีแค่ผัวเดียวเมียเดียวแตนะถ้ามีมากกลัวมากเมียจะมีปัญหาฟ้องร้องกันในคดีความเราก็เห็นเยอะแยะขอ้อที่4คือเรื่องของการพูดโกหกท่ Go นี้ต้องเว้นแตนะไม่มีใครออกกฎหมายให้คนที่โกหกศาลได้แล้วนะมีรางวัลใหนะ้ไม่เป็นอย่างนั้นใครโกหกศาลเอามีแต่จะเพิ่มโทษแตนะ่พร้อมเป็นความปกติของของมนุษย์แนตะที่ว่าจะไม่โกหกความเป็นปกติตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนอกจากการพูดโกหกแล้ว นะพูดหยาบก็ด้วยพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดยโยงให้แตกกันนี่ก็ด้วยซึ่งถ้าเราเอาเรื่องของสัมมาวาจาสี่อย่างมาบวกกับการไม่พระภิติในกามมาบวกกับการไม่รักทรัพย์แล้วก็การไม่ฆ่าอันนี้ก็เป็นศีลเบื้องต้นนะที่ว่าเราจะต้องมีนะเป็นความปกตินะนแนศีลแปลว่าความเป็นปกติปกติของชีวิตมนุษย์เรามันจะต้องมีเราเจดข้อนี้ก็ไดนะ้คือควบคุมกาย ก็กลุ่มวาจาในลักษณะที่คนปกติเนี่ยเขาจะมีกันแต่ถ้าเรามีทานมีศีลจำฟังให้มั่นใจเลยไปสู่ที่ไหนเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิน้นแต่คุณจะไปอยู่ในสังคมของคนมุสลิมแต่ถ้าคุณมีทานมีศีลคุณพูดเรื่องศีลได้เลยคุณพูดเรื่องศีลเรื่องความเมตตาเขาจะเถียงกันไม่ได้เป็นสิ่งที่ว่าลงกันได้เข้ากันได้กับทุกๆความคิดทุกๆประเภททุกๆทีท่หรือว่าถ้าเรามีศีลมีทานมีความเมตตาด้วย ไปไหนก็ไม่ต้องขั้นครามอย่างที่ว่าอันนี้คือ2ข้อแรกของเรื่องที่เป็นไปสนับสนุนในที่จะไม่เกิดการรู้อริยสัจสีถัดมาคือข้อที่สามคือเรื่องของสวรรค์สวรรค์ในที่นี้ในหมายถึงสถานที่ที่มีความสุขคือคนที่ให้ทานด้วยคนที่รักษาศีลด้วยด้านจิตใจของเขาจะมีความสบายใจจะไม่มีความร้อนใจความสบายใจความไม่ร้อนใจที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้จิตใจเขามีความสุข แต่พอมีความสุขความเย็นใจความสบายใจแล้วจิตใจประเภทนี้เป็นจิตใจที่เหมือนอยู่บนสวรรค์แต่สวรรค์เนี่ยถ้าราจะพูดก็คือสถานที่ที่มันน่ารื่นรมน่าพอใจเป็นที่ที่น่าสบายใจเราจะยังไม่ต้องพูดถึงสวรรค์ที่เป็นแบบมีเทวดาลอยไปลอยมาเป็นวิมานชั้นฟ้าอะไรอย่างนั้นถ้าคุณยังตรวจสอบไม่ได้ไม่เป็นไรอันนั้นโยไว้ก่อนเราพูดถึงความสุขความสบายอย่างในระดับมนุษย์อย่างนี้ก็ได้ แต่ว่าถ้ามนุษย์ที่มีความสุขความสบายมากๆเลยเนี่ยเปรียบเทียบกับมนุษย์ที่มีความทุกข์ความเผ็ดร้อนมากๆเลยในพบมนุษย์ของเราเองเนี่ยนะในพบมนุษย์ของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีในะทำฟังอย่างเด็กในแอฟริกาอย่างเงี้ยโอ้โหมีโรคภัยแค่เจ็บเยอะนะอาหารก็ขาดแคลนความเป็นอยู่ก็ลําบากไม่ต้องพูดถึงอาหารแค่น้ํานี่ก็อย่างยากพ่อแม่ก็ต้องบังคับให้ไปขอทานมีปัญหาโสเพณีเด็ก ปัญหความเป็นอยู่สลัมอะไรต่างมากมายการเมืองการปกครองไปขอทานถูกปลุกให้ไปขอทานไปขอก็ขอไม่ได้นะถูกพวกนักเลงในเมืองทำร้ายอีกต่างหากทำร้ายกลับมาแล้วระหว่างเดินทางกลับบ้านรองเท้าก็ไม่มีใส่เดินเท้าเปล่ามาเตะ ก, ก้อนหินนิ้วเท้าแตกอีกกลับมาถึงบ้านก็ถูกแม่ด่าว่าทำไมขอทานไม่ได้ถูกนักเลงหน้าสลัมนะถุยน้ําลายใส่แกล้งต่างๆนาน า, นาถูกขอค่าตรงก็จ่ายไม่ได้เพราะไม่มีเงินอย่างนี้แล้วก็ถูกแกล่ง แต่มีความทุกมากมีความเป็ดร้อนมากอันนี้คือความทุกขของคนที่อยู่บนโลกนนในทางตรงกันข้ามท่านฟังทางตรงกันข้ามคนที่มีความสุขความสบายอยู่ในโลกมนุษย์นี้ก็มีนะเราจะยังไม่ต้องพูดถึงเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีที่ไม่ต้องทํางานอะไรแต่เอาชาวบ้านเราธรรมดาเนี่ยตื่นเช้ามาก็ยังต้องไปทํางานอันนี้ก็มีแต่ว่าการเดินทางไปทํางานก็รถไม่ติดแต่สบายใจตื่นเช้ามาก็มีคนที่บ้านทําอาหารั่าต่างให้กิน อาหารก็เป็นสิ่งที่เราชอบเดินกินได้สบายดีเดินทางไปที่ทํางานทุกคนก็สามัคคีกันพูดจารื่นหูประชุมกันก็ต่างตกลงการงานอะไรต่างๆได้แต่สบายใจไม่มีปัญหาใดๆในที่ทํางานขับรถกลับมาตอนเย็นถึงบ้านรถก็ไม่ติดการจราจรก็ไปได้สบายดีแต่ทุกคนบนท้องถนนก็เอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแบกกันกลับมาถึงบ้านก็มีอาหารที่เราชอบรับประทาน มีโปรแกรมทีวีดีๆให้ดูนล้วนอนหลับไปก็มีความสุขนะสองคนนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่บนโลกมนุษย์เดียวกันนี่แหะโลกใบเดียวกันนี่แหละนะอยู่ใกล้ๆ ก, กันอาจจะห่างกันแค่ไม่กี่เมตรด้วยซ้ําแต่คนที่มีความเป็นอยู่ที่เป็นสุขเป็นเศรษฐีหมหาเศรษฐีข้างๆตึกสูงระฟ้าที่เขาเป็นเจ้าของอยู่นั้นอาจจะมีขอทานที่มีเงินเดือนปีหนึ่งไม่ถึง5้เหรียญอย่างนี้ก็อาจจะมีแต่ซึ่งมันไม่ได้ไกลกันมันใกล้ๆกันแค่เนี้ แตนะ่ความเป็นอยู่นี่ต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่นี้แค่พูดถึงในมนุษย์นะแค่พูดถึงนในมนุษย์ถ้าอย่างคนที่ได้รับความทุกข์อย่างเด็กในแอฟริกาเนี่ยได้รับความทุกข์ต่างๆนานาเนี่ยโอทุกตลอดวันทั้งวันได้มีความทุกข์ตลอดแต่แต่เวลาที่เขาเดินทางกลับบ้านเนี่ยเขาเอาจจะกินน้ำแต่ระหว่างทางมีแหล่งน้ําให้ไปกินแหล่งน้ำนี่ก็น้ําขุ่นๆหรอกน้ําไม่ใสกินเข้าไปแต่ก็ไม่รู้จะเป็นโรคอะไรแต่พอปวดปัสสาวะทั้งฟังปวดเบาเนี่นะปวดเบาแต่มันก็เป็นทุกอย่่างงนึม แล้วถ่ายเบาออกมานี่มันมีความสุขนิดหนึ่งในทะ่านฟังที่เคยไปห้องน้ำเอาไม่ต้องถ่ายหนักเอาถ่ายเบานี่แหละนะจากที่มันต้องอัน้นมันต้องปวดมันต้องทุกข์เงี้ยแล้วปล่อยออกไปเนี่ยมันสบายนิดหนึ่งแตนะ่ความสบายความสุขตรงนั้นเนี่ยเป็นความสุขของคนที่มีความทุกข์นะมีความทุกข์ทุกอย่างเลยทั้งครอบครัวสังคมบ้านเมืองอะไรต่างทุกหมดแต่ว่าพอถ ah, ่ายเบาออกมันสบายนิดหนึ่งเนเป็นอย่างนั้นแต่แต่ว่าในนรกท่านฟังในนรก เป็นสถานที่ที่มีแต่ผัสสะที่ไม่น่าพอใจเราจะนับว่ามันเป็นสุขหรือไม่ทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ผัสสะแต่ถ้าเจอแต่ภัสสะที่น่าพอใจก็เป็นสวรรค์ถ้าเจอภัสสะที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวก็เป็นนรกขณะคนที่ทุกข์มากๆบนโลกมนุษย์ก็ยังเจอภัสสะที่น่าพอใจบ้างตอนที่เข้าไปห้องน้ําถ่ายเบาแล้วมันออกมาได้สบายนิดหนึ่งแต่ในนรกธรรมวังในนรกได้เป็นสถานที่ที่มีความเผ็ดร้อนมีภัสสะที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียว นะไม่มีเลยภาษาที่น่าพอใจไม่มีเลยนะไฟของนรกนี่มันติดอยู่ตลอดไม่มีดับเลยไม่มีผ่อนด้วยอาวุชีมานรกเนี่ยชื่อเขาบอกไว้อยู่แล้วนะเป็นนรกที่ไฟไม่มีการดับนะเผาอยู่ตลอดไหมอยู่ตลอดทุกอยู่ตลอดนรกมันะเป็นอย่างนั้นนะสวัรด์ล่ะคนที่ตื่นช้ามาทํางานมีความสุขสบายนะชีวิตดีงามนะทุกทุกอย่างเกิดขึ้นเออเฟือฟ่อเผื่ อ, อแผ่กันยังไม่ต้องพูดถึงร่ารวยมีเงินทองนะอันนั้นยิ่งดีขึ้นไปอีก นั่นแต่ว่าเวลาที่เขากินข้าวอิ่มนะ่ยอาหารที่คุณชอบกินเข้าไปเถอะนะมันต้องมีวันที่มันต้องถ่ายออกมาปวดท้องนะปวดท้องหนักปวดท้องเบาก็ตามอันนี้เป็นความทุกข์ที่เห็นได้ ช, ชัดเจนเองเลยนั่นะจะเป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจนะก่อนที่เขาจะไปห้องน้ําเนี่ยรีบวิ่งปื๊ดปื๊ดเข้าไปเนี่ยก็มีความทุกข์ละความทุกข์มีนิดนึงนะแต่ว่าบนสวรรค์นเนี่ยมีภพหนึ่งี่ชื่อวาอ่าเทพที่ปวกสุภกินหาแต่นะมีแต่ความสุขล้วนความทุกข์ไม่มีเลย แต่เป็นที่ที่มีแต่ภัสสะที่น่าพอใจอย่างเดียวอาหารของพวกเทวดาเนี่ยเขาไม่ได้มาเป็นอย่างเป็นจานเป็นจานอย่างเรานี่นะเขาเป็นอาหารทิพย์น่ยไม่ต้องเคี้ยวรสอยู่ในปากเลยนี่ยไม่ต้องย่อยไม่ต้องมีกลออ่าวมาเนี่ยมันอิ่มทิพย์อยู่ข้างไหนเป็นลักษณะนั้นสมุช้ายืนยันพวกเรื่องของสวรรค์นรกเนี่ยว่ามันมีจริงแต่ถ้าเราปฏิบัติเรื่องของทานเรื่องของศีลก็จะมีความสุขมีภัสสะที่น่าพอใจอันนี้เกิดขึ้นได้ลักษณะของภัสสะที่น่าพอใจนั้นก็คือสวรรค์ น, นั่นเอง เนะี่ยเป็นที่ที่มีแต่ภาษาที่น่าพอใจอย่างเดียวทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของสวรรค์ในภาษาที่น่าพอใจมันจะมีโทษตรงที่ว่าถ้าเรามีความลุ่มหลงยึดถือมัวเมาเปลิดเพลินในสิ่งนั้นเราเอาจจะผิดศีลได้แต่คุณได้มาแล้วนี่ทำศีลดีแล้วได้แล้วมันมาความสุขต่างๆมาถ้าพบว่าเราไปลุ่มหลงมันมันก็จะเป็นโทษแตนะ่มันจะกลายเป็นเรื่องที่ทําให้เราเสียมันไปพระพุทธเจ้าจึงเรื่องเตือนเรื่องของโทษของกรรม โทษของการมีเยอะแยะมากมายที่ข้าพเจ้าเคยพูดในรายการอยู่ก็มีหลายครั้งอนี้พูดถึง โ, โทษของการว่ามันมีโทษมากมีประโยชน์น้อยแตประโยชน์ของการนี่มีนิดเดียวแต่ว่าโทษของมันนี่มากมายมหาศาลพระเจ้าจึงเตือนเอาไว้ว่าโทษของการก็มีน ะ, นะอย่าไปลุ่มหลงเพลิดเพลินในสิ่งนั้นเพราะความลุ่มหลงเพลิดเพลินในสิ่งนั้นมันจะทําให้เราตรณีพอตรณีปุ๊บฐานก็ไม่ให้แล้ทีนี้อา้าวจบละพอตรณีปุ๊บ ก็เริ่มผิดศีลละไม่ได้ทําศีลก็จบและทีนีนะ้ความสุขก็จะไม่ได้เพราะไม่ได้ให้ท่าไม่ได้รักษาศีลตะเหนียวไว้หวงกันเอาไว้ให้แนะข่งความสุขก็ไม่ได้สใา่มันก็เสียไปเพราะตรงนี้มันจึงมีโทษในต้นะของการตรงนี้พระเจ้าจึงแนะนําว่าอันนี้สองในการรีกออกจากการมดีกว่าคุณอาจจะได้สวยสุขอยู่นะสวยสุขดีไหมดีเจอประสาทที่น่าพอใจดีไหมดีแต่ถ้าเราไม่รุ่มหลงนะไม่เพลิดเพลิน ไม่กำหนัดไม่มัวเมาในสิ่งนั้นอันนี้ดีด้วยดีมากกว่าด้วยตรงนี้คือข้อที่5ที่พูดถึงอันนี้ส่งในการหลีกออกจากกามนะคือถ้าเรามีความสุขใดๆแล้วเราลุ่มหลงจมอยู่นะในกามในความลุ่มหลงความเมาความมึนเนี่ยมันคือกามแต่ถ้ามีความเมาความมึนในสิ่งที่ได้มาคุณจะเสีย ม, มันไปแต่ไอเหตุที่คุณได้มันมานก็จะไม่ได้สร้างเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการหลีกออกจากกาม พการหลีกออกจากกามเนี่ยเป็นวิธีการที่เราจะอยู่กับสิ่งนั้นได้สิ่งที่เราได้มาจากความดีที่เราทำเนี่ยโดยไม่เจอโทษภัยของมันอ่านเะช่นความสุขทางตาทางหูที่เราได้มาแตนะ่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย5้าอย่างนี้เนะี่ยเขาเรียกว่าเป็นวัตถุกามที่มันผ่านมานะมันมีโทษติดมาด้วยนะเพราะความที่มันเสื่อมไปได้ความที่มันอาจจะนําปัญหาต่างๆมาได้นะทีนี้ถ้าผมว่าเรามีความลุ่มหลงในสิ่งนั้นนะจะทําให้เราเกิดความตะนนีเกิดความหวงกันอย่างที่ว่า แะเราก็จะไม่ได้สร้างเหตุของการที่จะได้ความสุขทางตาทางหูนั้นมาอันนี้จะเป็นโทษที่ทําให้มันเสียไปแต่ถ้าบอกว่าเราไม่ลุ่มหลงนะไม่เพลินเพลินไม่เมาในสิ่งนั้นนะเราจะรักษามันไว้ได้แต่เราก็ยังจะสร้างทานอยู่เราก็ยังจะรักษาศีลอยู่ะความสุขมันก็ผันมาในรูปของความสุขทางตาทางหูนะเป็นสวรรค์ที่เจอได้บนโลกมนุษย์หรือเป็นสวรรค์ที่เป็นวิมานชั้นฟ้าอย่างนั้นก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ส่งในการหลีกออกจากกามตรงนี้แหละ จึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนด้วยนะว่าให้มีให้ทำนะเพราะว่าถ้ามีแล้วทําแล้วเราจะรักษาความสุขที่เกิดขึ้นนั้นได้แล้วมันจะเป็นไปในทางจิตเบื้องสูงนะความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะค่อยละเอียดลงไปนะมีความลึกซึ้งลงไปมีความที่จะทําต่อยอดให้ได้มากขึ้นเรื่องของอนุบุพีกาถาห้าอย่างในตำฝั่งมีความสําคัญเพราะว่ามีหลายๆกรณีในสมัยพุทธกาลก่อนที่พระเจ้าจะแสดงเรื่องอนิสัตยเนี่ย ก็อธิบายเรื่องของอนุบุพีคาถานี้ให้หลายๆคนฟังนั่างเช่นยัสส ก, กุลบุตรเราก็ได้ฟังเรื่องอนุบุพีคาถาก่อนแล้วบรรลุปเป็นโสดาบันเลยแล้ยังไม่ได้ทันเลืฟังเรื่องอริยสัจสี่ด้วยซ้ําแต่ฟังอนุบุพีคาทารอบสองบวกอริยสัจสีด้วยแล้วก็บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ได้มีอีกสมัยหนึ่งตอนนั้นพระเจ้าเล่าให้ฟังเป็นสมัยของพระเจ้ชาชื่อเวสภูในาชาวพันทุมาดีราชธานีก็ได้ฟังเรื่องของอนุบุพีคาถา นนจิตจึงมีความร่าเริงมีความแจ่มใสก็เทศต่อให้สูงขึ้นนั่นะคือเรื่องของอริยสัจสี่นะพอพูดเรื่องอริยสัจสี่ปุ๊บชาวพันธุมาดีราชธานีนั้นก็บรรลุปเป็นรพระประสวดาบันก็มีพระพุทธเ้าเนี่ยเคยเล่าไว้ในอีกที่หนึ่งถึงพระสูตรหนึ่งบอกว่าเอาถ้าพระอาหารหันเนี่ยจะเทศบอกสอนคนจะให้เลือกระหว่างสองคนคนหนึ่งมีจิตใจตระณีไม่ให้ทาน อีกคนหนึ่งมีใจที่ไม่ตรรณีเป็นใจิตใจที่น้อมไปในการให้ทานแต่พระอาหารหันต์จะแสดงธรรมกับคนไหนก่อนอันนี้เลือกไม่ยากเลยทุกฝังพระอาหารหันต์ท่านก็จะต้องแสดงธรรมกับคนที่ให้ทานก่อนแตเพราะว่าใจิตใจเขาจะเข้าใจธรรมะได้ง่ายกว่าระหว่างคนที่ไม่มีศีลกับคนที่มีศีแลแต่พระอาหารหันต์จะแสดงธรรมขั้นสูงเนี่ยให้ใครฟังก่อนก็ต้องให้คนที่มีศีลฟังก่อนนะเพราะว่ามันจะรู้ได้เร็วกว่าเวลาเราน้อยบางที อาจจะพูดยังไม่ทันจบรายการจะเป็นอะไรกันไปก่อนนะเพราะฉะนั้นเอาเอาคนที่มีศีลก่อนนะเพื่อจะได้ไปที่ดีได้แต่ล้วบางคนที่เห็นโทษ ก, กากามคนที่ไม่เห็นโทษของกามเนี่ยเ อ, เอาเทให้ใครฟังก่อนเอาก็ต้องแน่นอนให้คนที่เห็นโทษของกามก่อนในะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นตรงนี้นจึงเป็นสิ่งที่จะเป็นฐานเป็นบันไดก้าวแรกที่จะเข้าไปสู่การที่จะรู้อ ร, ริยสัจสี่ได้นั่นเองเพรา ะ, ะนั้นเรื่องของทานศีนลความสุขทางตาทางหู การที่เราต้องระวังโทษของกรมการ น, นิยนิสงในการที่เราจะหลีกออกจากการมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำได้ในชีวิตประจำวันของเราทุกๆขั้นตอนขับรถลงเรือทำงานเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านไปที่ทำงานได้ทั้งนั้นทำความสุขความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุ์อภิปุโ น, โนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริมพร